โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเริ่มสอนด้วยการเข้าสู่เนื้อหาธรรมทีเดียวแต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรงพบหรือผู้มาเฝ้าด้วยเรื่องที่เขารู้เข้าใจดีหรือสนใจอยู่เช่นเมื่อทรงสนทนากับควานช้างก็ทรงเริ่มสนทนาด้วยเรื่องวิธีฝึกช้างพบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทำนาพบพราหม์ก็สนทนาเรื่องไตรเพศหรือเรื่องธรรมของพราหมณ์ บางทีก็ส่งจี้จุดสนใจหรือเหมือนสะกิดให้สะดุ้งเป็นการปลุกเร้าความสนใจเช่นเมื่อเทศโปรดดินผู้บูชาไฟทรงเริ่มต้นด้วยคาว่าอะไรอะไรร้อนลุกเป็นไฟหมดแล้วต่อจากนั้นจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร้อนอะไรลุกเป็นไฟนำเข้าสู่ธรรมบางทีก็ใช้เรื่องที่เขาสนใจ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 เช่นเมื่อพราหมณ์โสณทันทะกับคณะไปเฝ้าท่านโสณทันทะครุ่นคิดวิตกอยู่ในใจว่าถ้าเราถามปัญหาออกไปหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ประชุมก็จะมินเราได้ถ้าพระสมณะโคโดมจะพึงตรัสถามปัญหาเราถ้าแม้เราตอบไม่ถูกพระไทยหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ที่ถูกควรแก้อย่างนี้ที่ประชุมก็จะมินเราได้ถ้ากะไรขอให้พระสมณโคโดมถามปัญหาเราในเรื่องไตรเพศอันเป็นคำสอนของอาจารย์เราเถิดเราจะตอบให้ถูกพระไทยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงทายใจพรามได้ทรงดำริว่าโสนททันทะที่ลำบากใจอยู่ ถ้ากาไรเราพึงถามปัญหาเขาในเรื่องไตรเพศอันเป็นคําสอนของอาจารย์ฝ่ายเขาเองเถิดแล้วได้ตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ทําให้พราหมณ์นั้นสบายใจแล้วรู้สึกภูมิใจที่จะสนทนาต่อไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเองถือว่าเขารู้ชํานาญอยู่เป็นพิเศษและพระองค์ก็ทรงสามารถชักนาพราหมณ์นั้นเข้าสู่ธรรมของพระองค์ได้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 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่าเลยพรามข้อที่ทั้งสองนี้ต่างพูดอวดรู้มีว่าถ้าเป็นปฏิปักษ์กันนั้นใครจะจริงใครจะเท็จพักเว้เถิดเราจะแสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังขอให้ท่านตั้งใจฟังเถิดเรื่องเช่นนี้มีปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎกแม้เมื่อแสดงธรรมตามปกติ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 และของงานสั่งสอนนั้นไม่ใช่สักว่าธรรมหรือเห็นผู้เรียนโง่เขลาหรือเห็นเป็นชั้นต่าๆอย่างพระพุทธจาริยาที่ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายตถาคตยอมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงแก่ภิกษุณีแก่อุบาสกอุบาสิกา แกปูถุชนทั้งหลายโดยที่สุดแม้แก่คนขอทานและพรานนกก็ยอมแสดงโดยเคารพหาแสดงโดยขาดความเคารพไม่ข้อที่ห้าใช้ภาษาสุภาพนุ่มนวลไม่หยาบคายชวนให้สบายใจสละสลวยเข้าใจง่ายอย่างที่ว่า พระสมณโคโดมมีพระดำรัสไพเราะรู้จักตรัสถ้อยคำได้งดงามมีพระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้งก่อนจบตอนนี้ขอนำพุทธพจน์แห่งหนึ่งที่ตราสอนภิกษุผู้สแสดงธรรมเรียกกันว่าองค์แห่งพระธรรมมกะถึก